ยถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าเมื่อมีพระบารมีในพระไตรปิฎกและพระโลกุตรธรรมสำเร็จแล้วจะได้ประกาศอ้างอวดถึงไปหาไม่ได้จะได้เห็นแก่ลาบสการะอันเกิดแต่พระไตรปิฎกและพระโลกุตรธรรมนั้นก็หาไม่ได้จะได้มีมานะถือว่าอตมารู้ก็หาไม่ได้กาจัดเสียซึ่งมานะ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 คือศีลสำหรับให้รักษาสมณธรรมถือเอาซึ่งพระสามัญญผลสี่ดุดคันนาฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนาคำรบสองปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่านาย่อมยังเจ้าของให้ได้ชุ่มชื่นถึงพืชจะหวานลงน้อยก็ให้ผลมาก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 ข้าแต่พระนาเคเสนผู้ปรีชาอันว่าองค์สามแห่งผูชนะนั้นประการใดพระนาเคเสนจึงแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐโูชนะนางนามะชื่ออันว่าโูชนะย่อมอุปธรรมเลี้ยงชีวิตสัตว์ไว้ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงอุปธ ร, รมแก่สัตว์ทั้งหลาย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 ดุดภูชนะอันเป็นที่ปรารถนาแห่งสัตว์โลกทั้งปวงฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งภูชนะคำรบสามยุติด้วยคำที่พระโมคะราชาเถระเจ้ากล่าวไว้ว่าส ก, กะสามันยังนิยเมนะสีเลนะปฏิปัติยาปัฏิเตนะพวิตรพังสัพพโลกัสะโยคินาแปลความว่าพระภิกษุโยคาวจร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 พระยะโตมีภัยอุปสรรคะโตมีอุปสรรคขัดข้องอทุวโตมิได้ยั่งยืนอนาตตะโตใช่ตัวตนอเลนะโตหาที่ซ่อนมิได้อตาณะโตหาที่ต่อต้านมิได้อสระโตหาเป็นที่ระลึกได้ไหมอสารณีภูตะโตหามีสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งไหมคุชโตน่าเกลียด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 ที่เป็นอาคตะปัญหาในคำพภีร์นี้262ปัญหาประดับไปด้วยกัน6กันจัดเป็น22่สิบวักจบเพียงนี้อันหนึ่งมิลินทัปัญหานี้ยังเป็นอนาคตะปัญหามิได้มาในคำภีร์นี้อีก42ปัญหารวมทั้งที่มาและไม่ได้มาเป็น304ปัญหาแม้ทั้งหมดนี้ นับเข้าในมิลินทะปัญหาสิ้นมีเชิงอัดหลังข้อความที่ว่าจบอิตสัทถะปัญหาที่ห้าคือเข้าใจว่าใช้สังขยาผิดที่ถูกควรเป็นที่เจ็ดเพราะนับแต่ต้นวักที่เจ็ดนี้มาจนปัญหานี้เป็นที่เจ็ดหาใช่ที่ห้าไม่ตามที่ท่านบอกจบปัญหาไม่บอกจบวักดังข้างต้นนี้คงเป็นด้วยท่านมาเรียงไม่จบวัก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 ของข้อความที่ว่าประดับไปด้วยการหกันดังนี้การจัดกันในตอนต้นไม่ได้พูดถึงเพียงจะบอกไว้ในอารัมภกถาว่าในมิลินทปัญหามีหกสถานคือปุพพะประโยคนสถานหนึ่งมิลินทปัญหาสถา น, นหาานึง่งเมนตกะปัญหาสถานหนึ่งอนุมาณปัญหาสถานหนึ่งลักษณะปัญหาสถานหนึ่งอุปมากถาปัญหาสถานหนึ่ง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 ก็ไม่ได้จัดว่าเป็นส่วนไหนคงตกอยู่ในระวางน่าสงสัยแต่โดยความเข้าใจที่ว่าหกันในที่นี้ก็คือ6สถานในอารัมพกาถานั้นเองจบเชิงอัดของข้อความที่ว่าประดับไปด้วยกันหกันมีเชิงอัดของข้อความที่ว่าจัดเป็น22วัคคือตรวจได้23วสิวคเกินไปหนึ่งวัค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 คาดจากจำนวนที่กล่าวนี้หนึ่งปัญหาจะตกล่นอยู่ที่ตรงไหนไม่ได้ความจบเชิงอัดข้อความที่ว่าไม่ได้มาในคำภีนี้อีกสี่สิบสองปัญหามีเชิงอัดข้อความที่ว่ารวมทั้งที่มาและไม่ได้มาเป็นสามร้อยสี่ปัญหาดังนี้เมื่อความคลาดเคลื่อนเป็นมาดังที่กล่าวแล้วข้างต้นจำนวนก็ไม่เต็มเท่านี้